นะโมทัสสะภควาโตอรตโมมะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะภควาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพรนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอาหารยสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระรยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย